นการเจริญสติได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากเรียกว่าเป็นที่นิยมเลยก็ว่าได้มันไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาอาการเจริญสตินี่เรียกว่าเป็นความนิยม ที่เติบโตเร็วมากเด๋ยวนี้มันมีการนำเอาการเจริญสติเข้าไปในโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลหน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจด้วย อย่างขนาดหมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคณะธุรกิจเนี่ยนะซึ่งไม่น่าจะมาสนใจเรื่องสมาธิหรือเรื่องาศาสนาเลยนะแต่ว่าก็มีการเอาการจลสตินี้เขาไปสอนให้กับนักศึกษาซึ่งก็ล้วนแต่เป็นพวกที่ทำงานธุรกิจ มาเรียนบริหารธุรกิจ MBA หรือว่าการบริหารธุรกิจชั้นสูงเนี่ยผู้นี้ก็สนใจเรื่องการเจริญสติมากพวกฝรั่งด้วยกันเองนี่ก็ถึงกับบอกว่าไอการเจริญสตินี่มันกาลังกลายเป็นกระแสหลักนะของสังคมอเมริกันไปแล้ว คือต่กอนเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่จำกัดอยู่ในแวดวงเล็กๆของชาวพุทธเช่นในสำนักปฏิบัติธรรมของชาวพุทธกลุ่มเล็กๆแต่ตอนนี้มันขยายตัวออกไปจนกระทั่งเป็นที่รับรู้กันเดี๋ยวนี้คำว่า m i n d f u l meditation เนี่ย เป็นที่รู้กันว่าหมายถึงอะไรในสังคมอย่างอเมริกันนี่คำว่า meditation เนี่ยมันก็เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าในช่วงระยะหลังเนี่ยมันไม่ใช่ meditation เฉยๆนะมันมีคาว่า mindfulness meditation ก็คือการเจริญสตินั่นแหละหรือว่าเป็นการทำสมาธิที่เน้นเรื่องการเจริญสติโดยตรงไม่ใช่แค่ทำสมาธิเฉยๆนะ แต่ต้องเป็นการาฝึกหรือภาวนาเพื่อการเจริญสติด้วยนั่นเอนก็น่าสนใจนะว่าหน่วยงานธุรกิจชั้นนำเนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้จริงจังมากเรียกว่าจริงจังกว่กวาบ้านเราซิอีกอย่างกูเกิลเนี่ยนะพวกเราก็รู้จักดีนะเามีการจัดคอร์ส เจริญสติแต่เขาไม่ใช่คาว่าเจริญสตินะเขาใช้คาว่าแสวงหาด้านในตัวเองนะเพื่อให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะสังคมอเมริกันที่ดูเหมือนว่าเขาเน้นวัตถุนิยมความสำเร็จทางวัตถุนี่ตอนนี้เขาก็แสวงหาคุณค่าภายในหรือว่าการพัฒนาชีวิตด้านไหนมากขึ้น พอตั้งโครงการอบรมที่ชื่อว่าเนี่ยสแสวงหาด้านในของตัวคุณเองมันก็ได้รับความนิยมนะจากพวกพนักงานก็จัดคอร์สนี่ให้กับพนักงานนี่ปีละสี่ครั้งครั้งละ7อาทิตย์7อาทิตย์นี่ก็คงจะไม่ใช่ทุกวันนั้นนะแต่ว่ามีการทำต่อเนื่อง อย่างบ้านเราโรงพยาบาลต่างๆที่มาปฏิบัติที่นี่ก็สามวันถ้าไปจัดที่อื่นก็อาจจะมากกว่านี้เป็นห้าวันแต่ว่าเทียบไม่ได้ของ Google นะเขาทำนี่เจ็ดอาทิตย์แค่เสาร์อาทิตย์แค่อทิลาสองวันคือเสาร์อาทิตย์นี่มันก็ปาเข้าไปสิบสี่วันแล้วแล้วก็จัดทั้งปีนะ ก็่ได้รับความนิยมจากพนักงานมากในสำนัก ง, งานเขานี่เขามีที่ทางเดินจงกรมนะแต่ไม่ใช่ทางเดินจงกรมแบบบ้านเรานะคือไม่ใช่ทางจงกรมแบบที่นี่เขาทำเป็นเขาวงกดคือมันคดเคี้ยวนะคดเคี้ยวไปมาแล้วก็มันเป็นการออกแบบที่ทำให้การเดินจงกรมนี่เดินจงกรมได้ ได้หลายคนพร้อมกันแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่มากแล้วก็ชวนให้น่าสนใจโดยเพราะว่าฝรั่งก็ก็มีธรรมเนียมการทำเขาวงกดเพื่อให้คนเดินจงกรมจนจนกระทั่งเข้าไปถึงใจกลางของเขาวงกฏเหมือนกับว่าเป็นการเข้าถึงใจกลางของจิตใจตัวเราเองสมัยก่อนเขาใช้เพื่อการเข้าถึงพระเจ้านะแต่ว่า Google นี้เขาก็ทํา ทางเดินจงกรมแบบเขาองกตเพื่อให้คนนี่ได้เข้าถึงแก่นแท้ด้านในของจิตใจตัวเองพอ Google ทำนี้หลายแห่งก็ไม่ยอมน้อยหน้านะ i t t e r Facebook มันนี่หมายถึงบริษัทนะเขาก็จัดการเจริญสติให้กับพนัก ง, งานเขาไม่ได้น้อยหน้า Google เลยล่าสุดนี่ก็ Google ก็นิมนต์ท่านติดนัดหันนะ ต, ติดนดหั น, นีพวกเราก็รู้จักนะันท่านก็มา บรรยายแล้วก็นำปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยเมื่อปีที่แล้วหลายครั้งแล้วของบ้านเรานี่โชคดีนะท่านท่านมามาอยู่มามาสอนให้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนแต่ว่าท่านมีเวลาให้กับ Google แค่หนึ่งวันเพื่อนบัญญายแล้วก็สอนกรรมาฐานเบื้องต้นในเรื่องการเจริญสติโดยตรงให้กับซผู้บริหารรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ระดับสูงนะของบริษัทที่ทาเรื่องคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าไอ้กูเกิลมันอยู่ในเขตที่เราซิลิคอนวัลเลย์นะบริษัท Apple บริษัทชื่อดังต่างๆที่เกี่ยวเรื่องคอมพิวเตอร์นี่มันก็อยู่แถบะแวกนั้นนะพอได้ทราบท่านทินัดหันมาเทศในที่กูเก l e นี่ก็พวกซีอโอต่างๆก็เข้ามาฟังแล้วก็ล้นหลามเลย ก่อนนั้นนั้นท่านก็ไปเทศให้ที่ world bank หรือธนาคารโลกนะธนาคารโลกนะซึ่งสนใจซึ่งดูเหมือนว่าสนใจเรื่องเงินเรื่องทองแต่ว่าคนทำงานนี่เขาก็สนใจสมาธิมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันถ้าเทยบกับบริษัทในเมืองไทยนี่ของเราสู้เข้าไม่ได้นะฝรั่งนี่ก็ททำจริงจังมากเรื่องการทำสมาธิการฝึก แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเขี่ยวเข็นนะแค่เปิดแค่เปิดให้เปิดรับสมัครก็มีคนไปจองไปปฏิบัติกันล้นหลามนะอย่างตอนที่ World Bank จัดให้ท่านจิตนาหารไปพูดนี่ก็ได้ข่าวว่าห้องประชุมนี่แน่นขนดัดต้องขยายห้องมีกล้องวงจรปิดนะเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้เข้าห้องประชุมได้ฟังมากขึ้น แล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีถึงขั้นว่ามีหน่วยงานรับรับรับฝึกนะฝึกฝึกสตินะเป็นหน่วยงานทางธุรกิจเลยรับฝึกสติของบ้านเรานี่มามาฝึกฟรีที่วัดนะหรือว่ามีคารวามาเป็นอาจารย์สอนสอนฟรีบางทีอาหารฟรีที่พักฟรี แต่ของฝรั่งนี่มันมีหน่วยงานเป็นองค์กรธุรกิจเลยนะรับจ้างฝึกสติให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐของเอกชนก็มีลูกเล่นหรือว่าจุดขายต่างๆกันแต่ว่าใจกลางคือการเจริญสติเขาจะชูเรื่องการฝึกสติแล้วก็พวกนี้ก็ ก็อยู่ได้ดีดนะเนี่ยนะเจริญเติบโตมีหน่วยงานผุดขึ้นมามากมายเพื่อรับจ้างนะฝึกสติฝึกให้เกิดชีวิตความจเจริญงอกงามของของจิตใจนะด้านในแต่เขาก็พยายามที่จะไม่พูดถึงพุทธศาสนานะแต่บอกว่าเนี่ยมันได้อิทธิพลมาจากการสอนสมาธิแบบพุทธนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นของพุทธเพราะว่า ฝรั่งนี่เขาก็ไม่ค่อยสนใจาศาสนามีมากขึ้นหรือไม่ก็เป็นคริสเป็นคาทอลิกเป็นโปรเตสแตนต์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจาศาสนาแล้ววันนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องาศาสนาเขาก็อาจจะตั้งข้อรังเกียจหรือว่าระแวงแต่พอพูดหลงการเจริญสตินี่มันเป็นกลางๆแล้วเพราะว่า เดี๋ยวนี้มันมีการวิจัยของแพทย์ของแพทย์สาขาต่างๆรวมทั้งประสาทวิทยาจิตแพทย์รวมทั้งแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการรักษามะเร็งต่างๆสารพัดหลายสาขาเขาก็มีการวิจัยยืนยันว่า ก, การเจริญสตินี่มันดีมันดีทั้งในแง่งการลดความเครียด ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะแล้วก็ยังทำให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วยให้ตรงนี้เป็นจุดขายเลยนะทำให้พวกหน่วยงานธุรกิจนี่สนใจมากเพราะเขารู้ว่าคนทำงานเขานี่เครียดนะแล้วเดี๋ยวนี้การแข่งขันกันก็สูงถ้ามีวิธีการอะไรที่ทำให้ เจ้าหน้าที่พนัก ง, งานของเขาเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นมีความเครียดน้อยลงเจ็บป่วยน้อยลงลางงานน้อยลงรวมทั้งมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นนี่เขาก็ยิ่งสนใจพอรู้ว่าการเจริญส ต, ตินี่มันทําให้คนทํางานนี่ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาก็ยิ่งสนับสนุนแต่ก็ยังว่ามันไม่ใช่จะเป็นเฉพาะองค์กรธุรกิจนะมัน เป็นความนิยมที่เกิดขึ้นทุกวงการเดี๋ยวนี้ตามร้านหนังสื อ, อนี่มีมีหนังสือมากมายนยที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า mindful m i n d f u l n e s แปลว่าสติถ้าอยากขายดีก็ต้องเติมคำว่า mindful เข้าไปเช่นการเลี้ยงลูกอย่างมีสติการกินอย่างมีสติการบาบัดอย่างมีสตินะมีแม้กระทั่งการเมืองแบบสตินะ mindful politics My Full Brain สมองที่เกี่ยวกับสติเนี่ยมันเดี๋ยวนี้หนังสือแบบนี้นี่มีเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ทำแบบสุกเอาเผากินนะเขาก็ศึกษาค้นคว้าวิจัยเดือาสายการฝึกสตินี่แหละนะไปใช้กับกิจการต่างๆไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องการทำสมาธิแต่เอาไปใช้กับเรื่องของการเรียนรู้การ ดูแลสุขภาพการกินการเลี้ยงลูกใชหคําว่า My Food เนี่ยนีมันก็กลายเป็นคำที่ติ ด, ต, ดตลาดจนกระทั่งเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วนันิตยสาร Time เนี่ ย, ยก็ขึ้นปกเป็นรูปผู้หญิงกำลังนั่งทำสมาธิหลับตาพริมมีความสุขแล้วก็พาดหัวว่า My Food แล volution เลเบลชื่นก็แปลว่าปฏิวัตินนะหมายถกงภาวะสติหมายถึว่าสตินี่กำลังจะมันกำลังจะปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงสังคมอเมริกั น, นอันนี้ก็อาจจะเป็นการเขียนตั้งชื่อตั้งหัวข้อให้มันดูเตะตาเบื้อหวานน่าสนใจนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นความนิยม ในอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสตินะ แ, ตแต่บางครั้งก็อาจจะไม่ใช้คำว่าสติอาจจะทาใช้คำอื่นๆที่ทำให้มันน่าสนใจแต่ว่าสาระก็เป็นเรื่องการเจริญสติอันนี้ก็ดูเหมือนว่าก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าในในความในความที่ดีเนี่ยมันก็มีหลายคนเป็นห่วงนะ เป็นห่วงว่าตอนนี้สติไอ้สติกำลังถู ก, ถกทำให้กลายเป็นสินค้ากลายเป็นสินค้าชนิดหนึ่งเพื่อที่จะขายให้กับคนที่สนใจเพราะเดี๋ยวนี้คนอเมริกันหรือฝรั่งเนี่ยเขาเครียดมากเขามีความเครียดสูงแล้วเาก็รู้ว่าไอ้การการลดทอนความเครีย วิธีการที่ใช้ใช้กันเนี่ยแบบโลกโล่งนี่มันไม่ได้ผลหรือมันได้ผลชั่วคราวเช่นไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปดูหนังฟังเพลงกินเหล้านะมันก็ผ่อนคลายชั่วคราวคลายเครียดได้ไประเดี๋ยวเดีย ว, ยวแต่ว่ากลับมาเหมือนเดิมฝรัง่งนี่มันมียามากมายในที่ช่วยลดความเครียดแต่ว่ากินไปแล้วนี่กลับติดตอนหลังก็เข้าหายาเสพติดไปก็แล้วก็มี ดาราดังๆที่ตายเพราะว่ายาเสพติดนี่มีเยอะมากล่าสุดก็ตายไปคนหนึ่งนะเป็นดาราดังมากอันนี้เพราะว่าเขาเครียดเครียดจัดในสังค ม, มริการ ซ, ซึ่งมันมีความเจริญทางวัตถุมากแต่ปรากฏว่าคนมีความเครียดสูงยาเสพติดก็ระบาดแพร่หลายมากคนก็เห็นโทษ น, นะ แล้วก็รู้ว่าคนที่มีสติปัญญาก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางก็เลยพอพอวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าในการเจริญสตินี่มันช่วยลดความเครียดได้ก็สนใจมันช่วยลดความดันช่วยทําให้สุขภาพดีขึ้นก็สนใจช่วยทําให้มีสมาธิมากขึ้นนี่ก็สนใจคนฝรั่งตอนนี้โดยเฉพาะในวงการธุรกิจนี่ หาสมาธิได้ยากนะเพราะชีวิตนี่มันเร่งรีบแล้วต้องแข่งขันกันสูงข้อมูลข่าวสารก็เยอะมากท่วมทน้นแต่ก่อนทำงาน9โมง8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นก็เลิกจบกลับไปบ้านก็พักผ่อนดูโทรทัศน์แต่เดี๋ยวนี้งานมันตามไปถึงที่บ้านเพราะมันมีอ e ีเมลมันมีมันมีเฟซบุ๊กมันมีโทรศัพท์มือถือ นะตามไปถึงบ้านไอ้เวลาส่วนตัวนี่มันแทบจะไม่เหลือแล้วเพราะว่าเจ้านายจะส่งหรือเรียกใช้งานเมื่อไหร่ก็ไดนะ้หรือถึงไม่มีงานจากเจ้านายนะคนก็อดไม่ได้ที่จะเปิดดูเฟ e บุ๊ k ดูข้อมูลข่าวสารต่างๆงแล้วก็เครียด นั้นพอมีเรื่องการเจริญสติมาเนีก็ทําให้ได้รับความนิยมมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็มีคนตั้งข้อตั้งข้อสงสัยหรือว่าตั้งคําถามว่าตอนนี้การเจริญสติมันกำลังกลายเป็นธุรกิจไปละเพราะอะไรที่ได้รับความนิยมมากก็กลายเป็นธุรกิจ อะไรที่เกี่ยวกับสติจะเป็นหนังสือจะเป็นอุปกรณ์เช่นเบาะเบาะรองนั่งในการทําสมาธิระฆังหรือว่าทูนะ่หรือแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายสําหรับการทําสมาธินี่ก็ขายดีนะฝรั่งที้เขาจริงจังมากแม้กระทั่งเวลานั่งสมาธิก็ต้องมีนะเสื้อผ้านะก็เหมือนกับบ้านเรานะต้องชุดขาวห่มขาวนะ มันถึงจะรู้สึกว่าเออเรากำลังทาสมาธิมันต้องมีเสื้อต้องมีอะไรต่างๆแต่ว่านั่นมันส่วนส่วนประกอบนะไอ้ส่วนที่มันกลายเป็นธุรกิจก็คือเรื่องของอการจัดบริการอบรมเรียกค่าตัวแพงๆอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าอีส่ว น, นที่น่าห่วงกว่านั้ น, นก็คือว่า ไอาการเจริญสติเนี่ยมันกำลังกายเป็นวิธีการเพียงเพื่อลดความเครียดหรือเพียงเพื่อช่วยทําให้มีสมาธิลดความฟุ้งซ่านที่จริงจะว่าไปแล้วอ น, นั้นเป็นแค่ประโยชน์เบื้องต้นของสติในพุทธศาสนาน ะ, ะสติในพุทธศาสนา น, นี้ไม่ใช่เพียงแค่ลดความเครียดนะ แต่ว่าผู้เจ้าสอนเรื่องสติเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์และกิเลส ข, ของตัวเองด้วยเพียงแค่รู้เท่าทันความคิดรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนี่ยังไม่พอนะมันต้องรู้ลึกเข้าไปถึงการเท่าทันกิเลสตัณหาในใจ เพราะแต่ใดที่คนเรายังมีกิเลสมีตัณหาอยู่เนี่ยมันก็มีความทุกข์ได้ง่ายมากเพียงแค่การทำสมาธิชั่วครั้งชั่วคราวและใจสงบเวลานั่งแต่พอลุกจากเบาออกจากห้องพระหรือออกจากทางเดินจงกรมไปทำงานเห็นคนอื่นเข้า ได้เงินเดือนมากกว่าเราได้โบนัสมากกว่าเราหรือว่าเขาเจริญก้าวหน้ากว่าเราก็เกิดความเครียดขึ้นมาเลยเพราะอิจฉาหรือเพราะรู้สึกว่าไอ้ที่เรามีมันยังมีไม่พอทำไมเขาได้มากกว่าเราให้การเจริญสติเพียงแค่ลดความเครียดอันนั้นเนี่ยมันก็จะ ถ้าตับใดที่มันไม่ลงไปแตะถึงเรื่องของกิเลสตัณหามันก็ไม่ช่วยทำให้ลดความเครียดได้อย่างแท้จริงมันก็เป็นเหมือนกับพาราเซตามอลหรือแอสไพรินนะเป็นการเจริญสติที่แท้จริงเนี่ยมันต้องพานำพาให้เราเนี่ยได้เห็นลึกไปถึงกิเลสตัณหาหรือว่าความยึดติดในตัวกูของกูให้ได้ ถ้าหากว่าการจดสติเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็ตามไม่ว่าโดยใครก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่สามารถทําให้รู้เท่าทันกิเลสหรือว่าจวนก็จวนก็เท่าไปถึงรู้เห็นความจริงของกายและใจรู้เท่าทันมายาที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นก็คือตัวตนที่คิดว่ามีถ้าไปไม่ถึงตรงนี้เนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ เป็นสติในพุทธศาสนานะหรือที่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสตินี่เนี่ยนะมันมันเป็นมันเป็นสตินะที่เรียกว่าเป็นของพุทธศาสนาโดยตรงเลยและสัมมาสติมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัย อ, องค์มรรคตัวอื่นๆเขาเป็นตัวรองรับสนับสนุน เช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือก็คือสีนั่นแหละนะสีข้อหนึ่งข้อ2ข้อสมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอยู่ในสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาก็สีข้อที่สสัมมาวายามะก็หมายความว่านะถ้าเราจะจะเจริญสติเนี่ยนะมันก็ต้องทาอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วย เช่นการรักษาศีลการมีความคิดที่ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสด้วยพยาบาทนะด้วยตัณหารวมทั้งการมีสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นวา่าความสุขมันจะเกิดขึ้นไอ้อย่างแท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ อยู่ที่วัตถุไม่ใช่อยู่ที่ความมั่งมีฝรั่งจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาเจริญสติเพื่อเพียงเพื่อจะลดความเกรียดจะได้ไปทำงาน m a k มันนี y หาเงินหาทองให้มากขึ้นคือมันยังมีกิเลส ต, ตัณหาเป็นพื้นฐานอยู่แต่ก็รู้สึกว่าถ้ายังใช้ชีวิตตามปกติ ก็อย่าให้เครียดแล้วก็เลยทํางานได้ไม่ไม่มีประสิทธิภาพสําหรับฝรั่งนี่การเจริญสติของเขาเนี่ยมันเป็นแค่การทําให้ความเครียดน้อยลงและจะได้ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทํางานประสิทธิภาพในความหมายนี้คือการทําเงินทํากําไรให้ได้มากขึ้นทํายอดให้ได้ถึงเป้ามากขึ้นซึ่งมันก็ยัง เป็นเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องของอมันยังกลายจากสัมมาทิฏฐิอยู่และแตัดใดที่ยังไม่สามารถที่จะทําให้กิเลสเบาบางตัณหาลดลงจิตใจยังขับแค่ด้วยความเพียงแก่ตัวเนี่ยความเครียดมันก็ไม่มีทางจะลดลงไปได้นะมันก็ยังมีความทุกข์อยู่ยังมีความทุกข์อยู่ลึกๆ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะว่าสติที่กําลังแพร่ระบาดหรือนิยมกันนะในต่างประเทศเนี่ยหรือแม้กระทั่งในเมืองไทยเองก็ตามเนี่ยมันกําลังกลายเป็นเรื่องเทคนิคนะเป็นเรื่องเทคนิคก็คือเป็นเพียงแค่สิ่งที่มาใช้ลดความเครียดโดยที่แยกขาดจากเรื่องของการมีสัมมาทิฏฐิ การมีศีลหรือว่าการาลดละ ก, กิเลสตัณหาเพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตมันดีขึ้นถ้าหากว่าการเจริญสติมันจะเป็นเพียงแค่เทคนิคนะอันนี้เนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าสัมมาสตินะเพราะว่าไอการที่ การที่จะใช้สติเพื่อลดความเครียดหรือเพื่อทําให้จิตมีสมาธิเนี่ยโจรผู้ร้ายขโมยเนี่ยมันก็ใช้เหมือนกันเวลาโจรจะปล้นบ้านเนี่ยก็ต้องมีสตินะมีสติในการที่จะทําทความทําทอาญากรรมเวลาโจรจะเปิดเซฟเนี่ยมันก็ต้องใช้สติใช้สมาธินะเวลาผู้ร้ายเนี่ยมันจะ จัฆ่าคนมือปืรับจ้างเนี่ยนะมันก็ต้องมีสติในการทำงานนะแต่ถามว่านั่นคือสัมมาสติไหมไม่ใช่แน่นอนนะเพราะสติที่ผู้ผู้ร้ายมีโจรมีเนี่ยนะมันเป็นสติที่ไม่สามารถที่จะทำให้รู้ทันกิเลสตัณหาได้ มันกลับปล่อยให้จิตใจถูกครอบงาด้วยกิเลสตัณหาสามารถที่จะบงการให้กิเลสตัณหาเนี่ยทำให้สามารถที่จะทําให้กิเลสตัณหาเข้ามาบงการการกระทําในสิ่งที่ชั่วร้ายได้ถ้าสติมันถูกใชใ้เป็นเครื่องมือในการทําชั่วเนี่ยมันไม่เรียกว่าสัมมาสตินะมันมีคําเรียกอย่างคือมิจฉาสตินะ นี่เราก็ต้องระวังนะเพราะว่าการเจริญสติเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นมิจฉาสติไปได้ง่ายๆถ้าหากว่าสติที่ได้มาเนี่ยเอาไปใช้ในการทําชั่วหรือถึงไม่ใช้ในการทําชั่วแต่เอาไปใช้ในการที่จะไปเพิ่มพูนกิเลสตัณหาหรือเป็นเครื่องมือส่งเสริมกิเลสตัณหาอย่างเช่นเอาสติไปใช้เพื่อการทํากําไรให้มากขึ้นยิ่งเอาไปใช้ ในการทำชั่วนะเช่นโกงคอร์รัปชันอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่หเราต้องแยกให้ดีนะเวลาเจริญสติเนี่ยให้รู้ว่าสติที่เรามุ่งเจริญหรือทําให้มากขึ้นเนี่ยคือสัมมาสติและสัมมาสติเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่รู้ทันความคิดนะเพื่อทําให้ใจสงบเพื่อทําให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเท่า น, นั้นแต่มันยังสามารถที่จะ ช่วยให้เรารู้ทันกิเลสตัณหาที่มันเกิดขึ้นในใจไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำใจคนที่เจริญสติอย่างถูกต้องนะตามแนวทางที่พู้เจ้าสอนเนี่ยกิเลสตัณหาจะลดลงความถือตัวถือตนก็จะลดลงจิตใจไม่ขับแคบด้วยความเห็แก่ตัวจะมีนำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะว่าพอความเห็นแก่ตัวลดลงแล้วเนี่ยเมตตากรุณามันก็เจริญงอกงามขึ้นมาเองแต่ถ้าเจริญสติแล้วเนี่ยเออกลับเห็นแก่ตัวมากขึ้นไม่สนใจผู้อื่นเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่สติที่พระพุทธเจ้าสอนละพู้ง่ายคือมไม่ใช่สัมมาสตเิเราก็ต้องตั้งตั้งตั้งตั้งจิตของเราให้ดีนะว่าให้การเจริญสติของเราเนี่ย นะเราปรารถนาที่ให้สติของเราเนี่ยนะมันช่วยลดกิเลสตัณหาในใจเราไหมช่วยทำให้เรามีสมรริทิฐิมากขึ้นหรือเปล่าทำให้เราเห็นว่าให้ความสุขของคนเราจริงๆแล้วอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเงินทองชื่อเสียงกิจยศ ฉันพู้อย่างนี้ไม่ได้หมายกับเว่าคนที่เจริญสติก็จะต้องยากจนหรือว่าอมีฐานะตำแหน่งตำ่ำๆอันนั้นไม่ใช่แต่หมายความว่าถ้าเราเจริญสติอย่างถูกต้องเนี่ยเราต้องสามารถที่จะมาเป็นนายของสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเราปฏิบัติไปเราก็ยังตกเป็นเครื่องมือหรือจะตกเป็นเป็นอยังถือเอาเงินทองเป็นใหญ่เป็นนาย อันนั้นก็แสดงว่าสติที่เรามีเนี่ยนะมันยังไม่ใช่สัมมาสติเงินทองชื่อเสียงกิตติยศสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์ถ้าเราเป็นนายมันนะแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นนายเราอันนี้มันก็จะทำให้ชีวิตนี้ตกต่ำแต่ที่มันกลายมาเป็นนายเราได้ก็เพราะว่ากิเลสตัณหามันงอกงามในใจนะ ทตา อ, อะไรที่กิเลสตัณหามันงอกงามในใจเนี่ยนะมันก็ยากที่เราจะเป็นนายของเงินทองชื่อเสียงหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมได้มันก็จะกลายมาเป็นนายเราต้องทําทุกอย่างเพื่อมันคนเดี๋ยวนี้นี่ก็น่ากลัวนะยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้เงินได้ทอง ได้ชื่อเสียงแม้ว่าจะต้องโกงไม่ต้องทำผิดทำบาปก็ตามอย่างล่าสุดเราคงได้ข่าวนะลูกนี่จ้างมือปืนไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าพี่ชายพ่อหวังจะได้มรดกนะแสดงว่านี่เขาร่มหลงุ่มหลงในเงินทองมากเห็นเงินทองเนี่ยมันเป็น เป็นสิ่งสุดยอดในชีวิตและยอมตนเป็นทาสของมันพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อมันถึงขั้นฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้แลวมันก็ไม่ใช่มีแค่ลายนี้นะก่อนหน้า น, นี้ก็มีมาแล้วใกล้ๆกันเลยลูกก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าน้องชาย ครานี้ไม่ได้จ้างนะลงมือฆ่าเองเลยขณะที่ทั้ง3ามคนกำลังนอนหลับนั่นเป็นไปได้ถึงเพียงนี้นะแต่แน่นอนถ้าเราถ้าเราจเจริญสติอย่างถูกต้องเนี่ยนะเราจะไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหามันครอบงำใจถึงขนาดนี้นะเราก็จะรู้ทันนะไอ้ความอยากที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่รู้ทันความคิดที่มันผุดขึ้นมา และทำให้จิตใจสงบจากความคิดฟุ้งซ่านได้แต่แม้กระทั่งกิเลสตัญหาที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็หมายจะบงการจิตให้จิตของเราให้ทำชั่วเนี่ยเราก็จะรู้ทันหรือว่าไม่ต้องทำชั่วนะเพียงแค่ว่าต้องการที่จะแสวงหาสิ่งปนเปลอนะด้วยเงินด้วยวัตถุด้วยสิ่งของด้วยชื่อเสียงเนี่ยเราก็ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบ ง, งำใจได้ อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากทีนะ่ที่เราจะต้องเข้าใจนะเพราะไม่งั้นการเจริญสติของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่เทคนิคนะเทคนิคเพื่อทําให้ใจสงบชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันไม่ได้ทําให้อ่าจิตใจเนี่ยหลุดจากความทุกข์หรือความเครียดไปได้อย่างแท้จริงสิ่งนี้เนี่ยก็ก็น่าเป็นห่วงนะว่าให้การเจริญสตินะที่มันแพร่หลายในเมืองไทยหรือแม้่ง รวมไปถึงการทำสมาธิภาวนาอื่นๆด้วยนะมันจะเป็นเพียงแค่ทำให้ใจสงบนะเพื่อที่จะได้ไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะไปทำกำไรไป m ม k e มันนี่เหมือนเดิมหรือว่าไปแข่งขันกับคนอื่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการเจริญสติในพุทธศาสนาสิ่งตรงข้ามต่างหากนะที่เป็นจุดมุ่งหมาย ค, คือการที่เราใช้ชีวิตอย่าง อย่างถูกทานะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วก็ไม่ตกเป็นท่าของวัตถุสิ่งเสพเอาละคนี้วพกับเท่านี้นะกลับับ